ว่ามันเป็นมาอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรให้เรามารู้ตัวของเราเองตัวของเราเนี่ยรูปฟังอันนี้จังรูปไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทกุกข์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 ถ้าเราอยู่ที่กระดูกกระดูกมันก็ไม่ให้คําตอบว่ามันคือเรานี่แหละเพราะฉะนั้นให้ที่จะนาลงไปที่นาลงไปในตัวของเรานี่แหละแยกส่วนออกไปแยกออกจากกันเมื่อเราแยกออกจากกันนี่เราก็จะเห็นความจริงอันหนึ่ง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 บอกว่าบรรยหย่ิย่อยตนนะต้องสวยอยู่เหมือนเดิมตลอดการมันกลับเป็นไปอีกอย่างหนึ่งมันก็เหยียวย่นไปแก่เท่าไปชราไปนั่นเราบอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังสั่งสอนไม่อบรมอบรมไม่เอาความสอนยังไงก็ไม่ได้เพราอยากแก่นะหาเครื่องออประทองประทินผิวอะไรต่างๆมาลูบมาทามาขัดมาสี ให้มันสวยอยู่วันเดิมมันก็ยังสลายไปอยู่นี่มันยังแก่ยังเท่าอยู่มันยังมีริ้วรอยอยู่มันก็อยากรักษาความแก่ของมันไว้ต่อไปอยู่ถึงจะเอาอะไรมาทามาแปะมาติดอะไรก็ตามเถอติดไปทาไปก็ไม่นานได้วันหนึ่งวันหลังมาก็ติดอีกทาอีกกบไปไม่ให้เห็นความแก่ไม่เห็นความสลายไม่เห็นความ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 ถ้าคงตัวอยู่เหมือนเดิมเราก็เป็นเด็กกันทุกคนพ่อขอดมาก็เป็นเด็กก่อนตัวเกแดงๆอยู่นั่นอะ่ะแต่พอมันอีก5าปี1ิบปีมันเปลี่ยนไปแล้วเลือนได้วิ่งได้แล้วนั่นมันเปลี่ยนไปแล้วเด็กแดงๆมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นให้พิารนารูปก็เป็นอันิีจัง เสียงก็เป็นอนิจจังกินก็เป็นอนิจจังรถก็เป็นอนิจจังโหพภะคือความถูกต้องก็เป็นอนิจจังธรรมารลมเครื่องที่ใจรับรู้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยง เสียงก็ไม่เที่ยงกินก็ไม่เที่ยงรถก็ไม่เที่ยงโภตพภะก็ไม่เที่ยงธรรมาลมก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงหัวก็ไม่เที่ยงปากก็ไม่เที่ยง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 ที่นาลงไปที่ตัวของเราที่นาเห็นแจ้งเห็นจริงประจักษ์ขึ้นมาในตัวของเราเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันเข้มข้นขึ้นไป